ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่48ที่พูดไปแล้วนี่เรื่องปัจจัยสมาธิสองประการคือปรโตโคสะโดยเฉพาะปรตโตโคสะที่มาช่วยโดยตรงหรือตั้งใจมาช่วยมาให้ปรตโตโคสะที่ดีก็คือกัลยาณมิตรนี่เป็นปัจจัยภายนอก อีกด้านหนึ่งก็คือปัจจัยภายในในตัวเองก็ความรู้จักคิดรู้จักพิจารณาเรียกว่าโยนิสมรสิการอันนี้ได้พูดไปพอสมควรแล้วนี่ประโตโคสัและโยนิสมรสิการนี่เป็นปัจจัยสมาธิซึ่งเป็นองค์มรรคข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวนำเข้าสู่มรรคจะนี้ ตัวนำเข้าสู่มรรคนี้ไม่ได้มีเฉพาะสองตัวนี้ยังมีอีกห้าตัวนะก็เลยเอามาพูดจนะให้ครบสําหรับสองตัวนี้เป็นพิเศษที่ว่าทั้งเป็นปัจจัยแห่งสมาธิติดด้วยแล้วก็เป็นตัวนําเข้าสู่มรรคด้วยนะไอ้นี่ส่วนอีกห้าตัวนั้นไม่ได้เป็นปัจจัยแห่งสมาธิติดแต่ว่าเป็นตัวนําเข้าสู่มรรคได้ในแง่ที่อาจจะเป็นตัวกระตุ้น เป็นตัวช่วยให้เกิดความเอาจริงเอาจังหรือทำให้คิดก้าวหน้ามันก็เลยทำให้เดินทางเข้ามาสู่มรกได้เนี่ห้าตัวนี้คืออะไรเพิ่มเข้ามานะก็แสดงที่จริงนะมีเจ็ดตัวนะเจ็ดตัวก็คือรวมปัจจัยสมถติสองตัวนี้ด้วยสำหรับสองตัวนี้ได้บอกแล้วว่า ปรโตโขคสสะกโยนิสมรสิกการนี่ปรโตโขคสสะเนี่ยมันเป็นพวกพูดเป็นกลางๆว่าปราโตโขคสสะหมายถึงที่ดีที่ถูกต้องนะเป็นปัจจัยสมาถะทิฏฐิพูดเป็นหลักการทีนี้ในแง่ที่ว่าจะมาเป็นตัวนำเข้ามรคนี่ต้องตั้งใจเลยนั้นปรโตโขคสสะในแง่ที่ว่าเป็นตัวนําเข้าสูมรคนี่ต้องออกมาในรูปที่เป็นกาลยา น, นมิตรที่พูดไปแล้วน ตอนที่แล้วมาก็พูดปรตโขสัตว์เนี่ยพันไปกับกัลยาณมิตรก็คิดว่าแยกได้นะประตโขสตัตวนี่เป็นตัวเสียงบอกจากผู้อื่นนะทีนี้เสียงบอกนี่จะมาอย่างไงก็ต้องมีตัวผู้บอกตัวผู้บอกที่ตั้งใจบอกก็มาทําหน้าที่ด้วยเมตตาด้วยความปรารถนาดีนั่นแหละผู้ที่ทําหน้าที่อย่างใ้เรื่องการกัลยาณมิตรนี้ถ้าเราพูดตัปัจจัยสมารทิทีถี่เราก็พูดแค่หลักการวนะ่า ประโตโคสะที่ดีที่ถูกต้องแต่นี้ถ้ามานำเข้ามร์นี่ต้องตั้งใจทำหน้าที่เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้คำว่ากัลยาณมิตรตกลงว่าในตัวนำเข้าสู่มร์นี่ก็ประโตโคสสะ ที่เป็นปัจจัยสมาธิิก็ไปชื่อใหม่ว่าเป็นกัลยาณมิตรตาความรราามีกัลยาณมิตรนะแตส่วนโยนิโสมแลิทกายก็คงเดิมเป็นปัจจัยภายในไปเป็นนี่สองตัวนี้ไปเป็นตัวหัวกับตัวท้ายในชุดนําเข้าสูม่มรรคที่ว่ามีเจตัวเพิ่มอีกหตัวก็เอาปรตโตโขสะที่ว่าเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยไปเป็นข้อที่1ใน7ข้อนั้น แล้วก็อโยนิโสมรติการไปเป็นข้อสุดท้ายเป็นที่7แล้วก็เติมเข้ามาข้างในห้าข้อพอเติมเข้ามาครบหข้อเป็นชุดเจเนี่ยเราก็เรียกซะว่าเป็นตัวนําเข้าสู่มรรคตัวนําเข้าสู่มรรคในภาษาพระท่านเรียกว่าเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของมรรคบุพนิมิตก็แปลว่าอะไรแปลว่าเครื่องหมายนําหน้าสิ่งที่บอกให้รู้ ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่าบุพนิมิตนะบุพพาแปล ว, ว่าก่อนนิมิตแปล ว, ว่าเครื่องหมายถ้าเป็นทางไม่ดีเราเรียกว่าหลางใช่ไหมหลางร้ายอันนี้แต่อันนี้เป็นรางดีลางดีเขาไม่ใช้ <c oughs> ก็ต้องเรียกว่าเป็นเครื่องหมายบอกถึงการที่จะเกิดมีขึ้นของสิ่งที่จะตามมาบุพนิมิตนะบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของมรคนะี่ ก็หมายความว่าก่อนมรรคจะเกิดขึ้นก็จะมีเจ้าเจดตัวเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นก็บอกให้รู้ว่าอ้อต่อไปมรรคจะมีแล้วนะทีนี้ถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งเราเรียกว่ามรรคนี่ก็คือศีสมาธิปัญญาซึ่งเป็นระบบใจสิกขาถ้าเรามองในแง่ใจสิกขาเจ้าเจดตัวนี้เราก็เรียกชื่อว่ารุ่งอรุณของการศึกษา รุ่งอรุณก็บุพนิมิตนะมันก็เป็นความหมายคล้ายๆกันทีนี้เราไปดูหลักในพระพุทธพุทธพจน์เลยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม19นะตอนต้นๆพอเริ่มก็มาด้วยเรื่องนี้เลยซึ่งหลักธรรมเจข้อเนี่ยแปลกที่ถูกมองข้ามไปหมดนะซึ่งสำคัญมาก เรารู้ความสําคัญของมรรคแต่เราไม่ค่อยพูดถึงตัวนําเข้าสู่มรรคนี่เจ้าเจ็ดตัวนี้ยังได้ย่างหนึ่งได้ทั้งนั้นเป็นตัวที่เกิดมีขึ้นก็เป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่ามรรคจะตามมานี่พระเจ้าเจ้าก็ตรัสไว้บอกว่าภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าเมื่อพระอาทิตย์จะอุทัยก็มีแสงเงินแสงทองหรือจะเรียกว่าแสงอรุณก็ได้ ปรากฏขึ้นก่อนชั้นใดทา <Yeah. S 1> ที่ว่าเจ็ดข้อเนีย <Yeah. S 1> ก็เป็นบุพภนิพิตแห่งการเกิดขึ้นของมรรคชั้นนั้นว่า น, นี่ก็แสดงว่าธรรมะเจ็ดข้อนี้ <Yeah. S 1> เป็นเครื่องบ่งบอกการเกิดขึ้นของมรรคเป็นตัวนำเข้าสูมม่มรรคเหมือนอย่างกับเป็นแสงเงินแสงทองที่ มีมาก่อนที่พระอาทิตย์จะอุทัยแสงเงินแสงทองนี้เราก็เรียกอีกอย่างนึงว่าแสงอรุณนะนี่เจอย่างก็หนึ่งก็กาลยานามิตตาความเป็นผู้มีกาลยานามิตแล้วก็สองทีนี้ข้อ2นี่เติมเข้ามาแล้วนะนะที่ว่าอีกหข้อสองนี้ก็เรียกเป็นภาษาบาลีว่าสีรัสัมปทาอาจจะยากสักหน่อย ชื่อบารีไม่ต้องจำก็ได้เอาเป็นว่าความถึงพร้อมได้ศีลนะถึงพร้อมได้ศีลก็เคยพูดแล้วนี่ศีลก็คือการที่เป็นผู้มีวินัยนั่นเองพูดภาษาปัจจุบันศีลก็คือความมีวินยัยหรือการตั้งอยู่ในวินยัยแล้วก็สก็ฉันทะสัมปทาความถึงพร้อมได้ฉันทะฉันทะก็พูดไปแล้วนะฉันทะนี่อธิบายมาเยอะเลยเป็นตัวตรงข้ามกับตัณหา ฉันทะก็ความฝ่ายดีใยรู้และฝ่ายดีหรือฝ่ายศึกษาและฝ่ายสร้างสรรค์ฝ่ายรู้ฝ่ายดีฝ่ายศึกษาฝ่ายสร้างสรรค์ในฉันทะแล้วต่อไปก็อัตสัมปทาศันะ์นี้แปลกนะที่อื่นนี่แทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปจะไม่รู้จักธรรมะข้อนี้อัตสัมปทา แปลว่าการทำตนให้ถึงพร้อมการทำตนให้ถึงพร้อมในตักถาท่านอธิบายว่าได้แก่การทำจิตให้ถึงพร้อมแล้วเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปทำตนให้ถึงพร้อมนี่จะพูดง่ายๆว่าจิตสำนึกในการฝึกตนแล้วต่อไปก็ทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมเด็ดทิฏฐิหมายความว่ามีความเชื่อแนวความคิด การยึดถือหลักการที่ถูกต้องที่เอื้อต่อการเจริญปัญญาต่อไปหรือที่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของตนแล้วต่อไปก็อประมทธสัมปทาแปลว่าความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็คือการที่ดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นผู้ตื่นตัว ทันต่อเหตุการณ์ไม่ปล่อยปละละเลยไม่เฉ่วยชาไม่ทอดทิ้งหน้าที่เป็นผู้ที่เห็นความสำคัญของการเวล า, ามีความกระตือรือร้นเร่งรัดเอาใจใส่ในการที่จะพัฒนาชีวิตของตอนเองแล้วก็ไปข้อสุดท้ายข้อเจ็ดก็คือโยนิสมราศสิการสัมปทา ความถึงพร้อมจะอยู่ในสมรรถจิตการซึ่งอยู่ในปัจจัยสมารทิฐิที่บอกเมื่อกี้ว่าปัจจัยสมารทิฏฐิมาเป็นข้อหนึ่งกับข้อเจหัวกระท่ายขบวนกงกลางก็เติมกันมาหข้อพระพุทธเจ้าตรัสให้ความสำคัญทั้งเจข้อเนี่ยเป็นธรรมนองว่าตัวใดก็ได้ให้มันมีสักตวัวแหละจะเป็นบุพนิมิตการเกิดขึ้นของมรรคได้เลยนี่ธรรมะ เจดข้อทุกข้อนี่สำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราควรจะมาช่วยกันเน้นให้คนเห็นความสำคัญมากขึ้นเพราะว่าคนอยู่ๆไปเข้ามรทันทีเนี่ยมันไปไม่ได้นี่มันต้องมีคนที่มานำํำหรือว่ามีคุณสมบัติอะไรในตัวเนี่ยมาช่วยก็หมายความว่ า, าปัจจัยภายนอกอย่างหนึ่งปัจจัยภายในอย่างหนึ่งมาช่วยเนี่ยเจ็ดตัวนี่แหละจะเป็นตัวนาเขาสู่มรต เราไปพูดถึงความสำคัญของมรรคกันก็ยอมรับว่ามรรคสำคัญแต่ทำไงจะเข้ามรรคได้น ะ, ะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยเจตัวนี้ทีนี้ก็มาอธิบายโดยย่อในเจข้อนี้อีกครั้งหนึ่งสำหรับข้อหนึ่งการยานามิตตตาก็เรียก ง, ง่ายๆก็เอาภาษาไทยก็ความมีการยานามิต นี่เรื่องของการยานามิตรนี่เคยพูดไปแล้วว่าใครก็ตามที่จะมาช่วยแนะนำบอกกล่าวให้ความรู้ความเข้าใจให้ข่าวสารข้อมูลหรือเป็นเสียงบอกที่ดีงามให้ความรู้ที่ถูกต้องเราก็เรียวกว่าเป็นกรยานามิตร กัลยาณมิตรตัวอย่างก็พระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้ว่าเราเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทั้งหลายอาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตรสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดแก่เจ็บตายตกอยู่ใต้อำนาจของโสกปริเทวทุกขโทมนัตอุปาญาตก็พ้นจากทุกเหล่านั้นได้นี่นะนี่ก็ต่อจากนั้นก็มีพระศิกษุทั้งหลายพระสงฆ์เนี่ยมาทหาน้าที่ อนุวัตตามพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเป็นกาลยานามิตรของประชาชนแล้วก็พ่อแม่ในครอบครัวแล้วก็ครูอาจารย์แล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็ผู้บริหารสังคมประเทศชาติแล้วก็ทุกคนที่เป็นกาลยานามิตรต่อกันนะอันนี้แม้แต่เรื่องของวัฒนธรรมต่างๆนี้ก็เป็นปรโตโคสะที่กาลยานามิตรจะเอามาให้แก่กัน ซึ่งเราจะถ่ายทอดให้กับการโดยไม่รู้ตัวเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยจะถ่ายทอดวัฒนธรรมวัฒนธรรมนั้นโดยมากไม่ใช่ทั้งหมดนะโดยมากจะเป็นสิ่งที่สังคมได้ยอมรับแล้วก็เป็นประโยชน์ดีงามแต่บางครั้งวัฒนธรรมนั้นก็อาจจะมีข้อบกพร่องแล้วก็ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปวัฒนธรรมนั้นก็อาจจะเกิดโทษได้เหมือนกันอันนั้นวัฒนธรรมนั้นก็พูดได้ทั่วๆไปว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่นำมาถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังที่จะทำให้เขาสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นหลักประกันแท้ทีเดียวนั้นจึงต้องให้พวัฒนธรรมได้รับการตรวจสอบจากหลักธรรม ที่เป็นของแท้ของจริงอีกชั้นหนึ่งเพราะถ้าธรรมไทยเรานี่ได้จากพุทธศาสนาเยอะแต่ก็เพียนเยอะอย่างเรื่องของการที่ว่าให้เรียนหนังสือได้มานะนะเป็นต้นนี่ต้องถือว่าเพียนแลหลนะและคนไทยก็นึกว่ามานะเป็นดีไปเลยมาณเป็นขยันมันเพียนว่างั้นอย่างนี้เป็นต้นไม่เยอะที่เพียนไปแม้แต่เรื่องของน้ำใจเรื่องของ เมตตากรุณาที่เราเคยพูดกันไปเยอะแล้วนะนั้นาน า, น า, นานก็จะต้องมาตรวจสอบกันสักทีนึทีนี้เรื่องการยานามิตรนี่ก็ขอแบ่งเป็นสามชั้นหนึ่งก็คือการที่ผู้อื่นเนี่ยมาตั้งใจเป็นการยานามิตรให้แก่คนนั้นเช่นเด็กยังเด็กหรือลูกเนี่ยนะพ่อแม่ก็มาตั้งใจทำหน้าที่เป็นการยานามิตร อยากให้ลูกมีความสุขมีความเจริญพ่อแม่ก็มาเป็นกัญญาณมิตรมาตั้งใจเลี้ยงดูมาตั้งใจสั่งสอนนะนี่หรือไปโรงเรียนก็ครูอาจารย์ก็มาตั้งใจเป็นกัญญาณมิตรพระสงฆ์ก็ตั้งใจทําหน้าที่เป็นกัญญาณมิตรให้นี่อย่างนี้เรียกว่าเป็นกัญญาณมิตรเดี๋ยผู้อื่นมาพยายามทําหน้าที่เป็นกัญญาณมิตรให้สองก็คือตัวบุคคล น, นั้นเองเช่นเด็กเนะี่ยรู้จัก เลือกหากัลยาณมิตรไปหาเองอยากคบอยากจะไปปรึกษาอย่างว่าตัวเองเนี่ยมีความใฝ่รู้ขึ้นมาแล้วอยากจะรู้อะไรก็ไปหาพ่อแม่ไปถามครูอาจารย์ไปถามท่านผู้รู้หรือแม้แต่ไปเข้าห้องสมุดไปหาหนังสืออ่านเด็กที่เลือก อ่านหนังสืออยากอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือนี่ก็แสดงว่าเป็นคนที่รู้จักหากัลยาณมิตรนี่อันนี้เป็นตัวเด็กเองหรือตัวคนนั้นเองที่ไปหากัลยาณมิตรหาแหล่งความรู้หรือรู้จักเลือกหาแบบอย่างที่ดีอย่างว่าดูโทรทัศน์ก็รู้จักเลือกรายการที่ดีดูนะแล้วก็รู้จักเอาอย่างคนที่เขาดีอย่างนี้เรียกว่าเด็กเนี้ยไปคบกัลยาณมิตร รู้จักเลือกอ่านหนังสือหาหนังสือดีๆอ่านดูโทรทัศน์รู้จักเลือกในการดีๆให้ความรู้แล้วก็เอาอย่างคนที่เขาดีอย่างนี้แสดงว่าเด็กรู้จักเลือกคบกานาันญาณมิตรนะฮะในสองละแล้วก็สก็คือเด็กเป็นกันญาณมิตรของผู้อื่นนี่ไปช่วยคนอื่นไปเป็นพื่มิตรที่ดีแก่พวกพวกของตนเองแก่เด็กๆกนักเรียนด้วยกันนะ ไปช่วยแนะนําเขาให้ความรู้แก่เขาเป็นต้นเนี่ยสามขั้นนะฮะการยานามิตรหนึ่งคนอื่นมาทําหน้าที่เป็นการยานามิตรให้สองตัวเองรู้จักคบการยานามิตรหาการยานามิตรสาตัวเองไปเป็นการยานามิตรที่แก่ผู้อื่นในกรณีนี้ความมีกัลยานามิตรที่ท่านประสงค์ที่ว่าจะเป็นบุคพลนิมิตรแห่งมัก หรือเป็นอรุณอรุณของการศึกษานี้หมายถึงข้อสองเป็นต้นไปต้องข้อสองถ้าเป็นข้อหนึ่งนี่ยังไม่เข้าหลักการนี้ก็คนอื่นไปนเป็นกัลยาณมิตรให้แต่ตัวเองอาจจะยังไม่เอาด้วยก็ได้ใช่ไหมดังนั้นยังเป็นหลักประกันไม่ได้ว่ามรรคจะมาหรอกถ้าเด็กได้แค่ว่ามีคนอื่นเป็นกัลยาณมิตรนะพ่อแม่ก็ดีพยายามตั้งใจนะครูอาจารย์ก็ตั้งใจสั่งสอนแนะนำแต่ก็ เด็กก็ยังไม่เอาด้วยถ้าอย่างนี้ถือว่ายังไม่เข้าคุณสมบัตินี้นต้องได้ขั้นที่สองก็คือเด็กเองเนี่ยรู้จักเลือกหากัลยาณมิตรเป็นคนที่ครบกัลยาณมิตรถ้าอย่างนี้แล้วจึงจะถือว่าเป็นบุพนิมิตแห่งมรรคแล้วก็มรรคจะเกิดแน่นอ น, นเพราะเด็กเอาแล้วนี่นอันนี้ต่อจากนั้นก็คือเด็กเมื่อเป็นผู้ที่รู้จักเลือกหากัลยาณมิตร ตัวเองมีคุณสมบัติดีก็จะไปเป็นกาลยานามิตรให้แก่ผู้อื่นต่อไปนะเรื่องกาลยานามิตรนี่ก็ได้พูดมาเยอะตอนว่าได้ปจัจจัยแห่งสมารถทิฏิเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผ่านไปได้อันนี้ก็ไปข้อที่สองก็คือศีลและสัมปทาถึงพร้อมได้ศีลก็บอกแล้วว่าศีลนั้นในภาษาพระถ้าพูดกันอย่างคร่งครัดเป็นคุณสมบัติที่ตัวคน แต่ภาษาไทยนี่เอามาใช้เป็นภาษาชาวบ้านหมายถึงข้อปฏิบัติหรือข้อบัญญัติให้ปฏิบัติเช่นอย่างศีสรย2 7ของพระเนี่ยที่จริงไม่ใช่สีส2งรชื่อจริงคือสิกขาบทใช่สิกขาบทก็คือข้อฝึกหรือข้อศึกษา อันนี้เมื่อเราไปปฏิบัติตามข้อฝึกข้อศึกษานั้นแล้วเราจึงจะเป็นผู้มีศีลถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามศิกขาบทมันก็เป็นข้อฝึกอยู่อย่างนั้นอยู่ข้างนอกตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อใช้ให้ถูกต้องตามความหมายแท้จริงก็เป็นอันว่าศีลนี้ต้องมาเป็นคุณสมบัติที่ตัวคนซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามศิกขาบทตั้งอยู่ในวินยัย สิกขาบททั้งหลายนี่ข้อฝึกทั้งหลายรวมกันก็เรียกว่าเป็นวินัยนะวินัยนั้นก็เป็นตัวประมวลสิกขาบทประมวลระเบียบกฎเกณฑ์กติกาทั้งหมดของพระกา ว, วินัยเน้นประกอบด้วยสิกขาบท227ข้อเฉพาะในปาฏิโมกข์แล้วมีสิกขาบทนอกปาฏิโมกข์ต่างหากอันนี้เมื่อเราตั้งอยู่ในวินัยนั้นก็ชื่อว่า เป็นผู้ที่มีศีลศีลก็อยู่ที่ตัวคนแล้วก็เป็นการฝึกตัวเองให้ตั้งอยู่ในวินัยนั้นอันนี้วินัยกับศีลก็แปลว่าคู่กันวินัยอยู่ข้างนอกศีลอยู่ในตัวคนนะอันนี้ถ้ามันยังเป็นวินยัยเป็นสิกขาบทเป็นข้อฝึกอยู่มันก็ยังไม่เข้าเป็นองค์บุพนิมิตของมรรคใช่ไหมต้องเด็กปฏิบัติ ตั้งอยู่ในวินัยเป็นผู้มีศีลนี่จริงเรียกว่าเป็นบุพนิมิตของมรรคใช่ไหมแบบเดียวกับกัญญาณมิตรเบอร์กี้แล้วตัวคนข้างนอกเขามาทําหน้าที่กัญญาณมิตรให้เขามาสั่งสอนมาแนะนําแต่เด็กยังไม่เอายังใช้ไม่ได้ยังไม่เป็นบุพนิมิตของมรรคต้องเด็กเอาเป็นผู้ครบกัญญาณมิตรเขาสอนก็เช่นเดียวกันเป็นวินยัยเป็นสิกขาบทอยู่ข้างนอกเด็กยังไม่เอาเนะี่ มันก็ยังไม่ได้บุพนิมิตของมาต้องเด็กเอาก็เกิดเป็นศี่ขึ้นมานะเอาลนะนี่ก็ทีนี้เราไปมองดูวินัยกันอีกทีหนึ่งวินัยเนี่ยบอกแล้วว่าเป็นประมวลสิกขาบทนะก็เป็นพวกหนึ่งก็คือการจัดวางระบบนะการจัดระเบียบชีวิตว่าเออเราจะอยู่กันยังไงจะตื่นนอนเมื่อไรไป ทรัประธานข้าเวลาไหนไปโรงเรียนเวลาไหนนะการจัดวางระบบทีนี้เพื่อจะให้มันจดจําได้ง่ายแล้วมีข้อมายืนยันเป็นหลักฐานอ้างอิงเป็นต้นจําได้ง่ายก็เลยมาเขียนขึ้นตกลงกันจัดวางยังไงก็มาเขียนขึ้นเป็นข้อกําหนดนะนี่ก็เป็นวินัยเหมือนกันจัร์ลงว่าวินัยสองความหมายแล้วนะหนึ่งการจัด วางระเบียบระบบระเบียบความเป็นอยู่ระบบสังคมกิจการสังคมจะเอาอยัางไงจะอยู่กันยังไงอย่างางี้นะการจัดวางนี่ก็เรียกว่าวินยัย2ก็ตัวข้อกําหนดที่มาเขียนมาวางกันขึ้นสําหรับหมายรู้สําหรับเป็นหลักฐานอ้างอิงสําหรับจดจําได้ว่าให้เอาอย่างงี้นะจัดวางกันอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าวินยัยในความหมายที่2 3. การฝึก ให้คนหรือควบคุมดูแลให้คนเนี่ยปฏิบัติไปตามนี้ไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ระเบียบที่วางไว้แล้วนี่ก็เรียกว่าวินยัยตกลงได้3ความหมายแล้วนะีวินัยความหมายที่หนึ่งก็ตัวการจัดวางระบบระเบียบสองก็คือข้อกำหนดมาเทียบได้คำว่ากฎหมายใช่กฎหมายนี่ก็เป็นวินัยในความหมายที่สอง แล้วการดูแลการฝึกคนให้ปฏิบัติได้ตามระเบียบข้อกําหนดนั้นอันนี้ได้แก่อะไรได้แก่การปกครองถูกไหมเพราะนั้นวินัยนี่ความหมายกว้างการปกครองกับกฎหมายนี่คู่กันนะคนจะปกครองได้ก็ต้องมีกฎเกณฑ์กติกากฎหมายเป็นเครื่องมือใช่ไหมกฎหมายมีไว้เรามาดูแลคนให้ปฏิบัติตามควบคุมแต่ ให้เป็นไปตามนั้นฝึกคนให้ปฏิบัติตามนั้นก็เรียกว่าเป็นการปกครองก็เป็นวินัยน่ยต้องใช้กฎหมายใช่ไหมวินัยไอย้การปกครองก็อาศัยกฎหมายใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือการปกครองที่พระพุทธเจ้าต้องการก็คือการปกครองโดยฝึกคนหรือช่วยคนให้ฝึกโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือฝึกทําให้คนเนีฝึกฝ น, นพัฒนาตน มองกฎหมายนี่เป็นเครื่องมือฝึกตัวจะได้ไม่รู้สึกว่าบังคับบีบขั้นกันก็ต้องมีความรู้เข้าใจว่าเออกฎหมายนี่บัญญัติเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ร่วมกันเพื่อความอยู่ดีเพื่อชีวิตที่ดีงามสังคมดีงามนะฮะแล้วก็เมื่อเห็นคุณค่าประโยชน์แล้วตั้งใจปฏิบัติตามเป็นการฝึกคนก็จะมีใจยินดีมีความสุขสุขภาพจิตดีแต่ถ้าการปกครองเป็นการบังคับคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายเนะี ถ้าอย่างนี้แล้วสุขภาพจิตเสียและจะเกิดความรู้สึกขัดแย้งในใจอาจจะเป็นปฏิปักคิดจะละเมิดอยู่เรื่อยการปกครองแบบนี้จะใช้อำนาจต้องบังคับกันก็ต้องเน้นการลงโทษนี่ในพุทธศาสนานี่ท่านให้มองวินัยนี่เป็นเครื่องฝึกนั้นะการปกครองก็จะเป็นเครื่องมือของการศึกษาก็คือเป็นการที่ว่าดูแลให้เขาได้ฝึกตนพัฒนาตนเองขึ้นไป การปกครองที่ดีในความหมายพุทธศาสนาเป็นการที่ช่วยให้คนฝึกฝนพัฒนาตนถ้าการปกครองกลายเป็นการบังคับควบคุมใช้อำนาจก็แสดงว่าเป็นการปกครองที่ไม่ได้ผลดีไม่ตรงตามความหมายในพุทธศาสนานะอันนี้ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าการปกครองนั้นอาจจะมาเน้นในแง่ของการใช้อำนาจมากอ เอาแล้วครับไปอนว่านี่คือวินัยนะฮะได้ความหมายสามอย่างทีนี้วินัยนี่เพื่อจะให้มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีงามมีปัญญาเข้าใจแล้วจะได้ฝึกตนเองต้องมองวินัยว่าไม่ใช่การบังคับนะวินัยก็เป็นเครื่องฝึกคนอย่างที่ว่าแล้วนอกจะเป็นเครื่องฝึกคนแล้วมันมีความหมายลึกลงไปอีกก็คือว่ามันเป็นเครื่องจัดสรรโอกาสวินัยนี่เป็นเครื่องจัดสรรโอกาสนะ ทำไมจึงว่าเป็นเครื่องจัดสรรโอกาสยกตัวอย่างบ่อยๆเอาง่ายๆในบ้านของเราหรือในที่อยู่ในศาลานเนียลองไม่มีวินยัยไม่มีการจัดวางระเบียบระบบไม่ว่าคนก็ตามสิ่งของวัตถุก็ตามยกตัวอย่างเก้าอี้โต๊ะเป็นต้นเราไม่จัดระเบียบระบบโดยมีความมุ่งหมายตั้งทิ้งเกะกะเกะกะไปหมดนะ สมมติว่ามีเก้าอี้สักยีบห้าตัวนี่เกะกะไปหมดไม่มีความมุ่งหมายว่ามันจะอยู่ที่ไหนไม่มีการจัดระเบียบระบบเต็มไปหมดนี่เราจะทำอะไรไม่สะดวกเลยในศาลานี้แค่เดินออกไปจะเดินจากนี่ไปถึงประตูนี่เตะโดนชนเก้าอี้กว่าจะไปถึงประตูได้นี่เจ็บด้วย แล้วก็เสียเวลาด้วยนะหลายนาทีกว่าจะไปถึงทีนี้ถ้าเราจัดระเบียบระบบเออเราก็รู้ความมุ่งหมายว่าเอาเราจะให้อยู่ดีตรงนี้เป็นช่องว่าที่จะทำงานอย่างนั้นงี้เนะก้าอี้นี่มาอยู่ที่นี่คนจะได้นั่งได้สะดวกอะไรเงี้ยมีความมุ่งหมายเกิดขึ้นแล้วก็จัดระเบียบระบบให้สนองความมุ่งหมายนั้นตอนนี้เรารู้เลยว่าไอ้ส่วนนี้เป็นทางเดินจะต้องไปที่ประตูเราก็ไม่วาง เวลาเราจะเดินจากจุดนี้ไปที่ประตูนี่เดินปลุดเดียวถึงเลยใช่ไหมอ่านี่ั น, นั้นวินัยนี่เป็นการจัดสรรโอกาสทำให้ชีวิตและกิจการของสังคมนี้ดําเนินไปได้ดีถ้าลงไม่มีวินัยและทุกอย่างติดขัดวุ่นไวายไปหมดยิ่งงานอะไรที่มันมีความสำคัญแล้วก็ต้องการความรวดเร็วเป็นต้นปวามประสิทธิภาพ ความฉับไวเนี่ยวินันยจะเข้ามาอย่างเต็มที่เลยนะอย่างหมอหมอจะผ่าตัดนี่ความเป็นความตายของคนไข้ถ้าทําอะไรเสียเวลานิดเดียวนี้อาจจะไม่ทันการใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีการวางวินัยกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยนะเช่นว่าพยาบาลที่ส่งเครื่องมือให้หมอ จะต้องมีลำดับแน่นอนเลยจนกระทั่งว่าหมอนี่ไม่ต้องดูพอใช้อันนี้เสร็จอันนั้นต่อนั้นต่อต่อใช่ไหมถ้าลองส่งเครื่องมือผิดนี่ไม่แน่นะคนไข้จะตายเลยก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวินัยนี่คือการจัดระเบียบระบบเพื่อให้การทํากิจการงานนั้นสาเร็จผลด้ดีคือการจัดสรรโอกาสเพราะนั้นสําคัญอย่างยิ่งเนี่ยเราจะเห็นได้ในกรณีของหมอผ่าตัดซึ่งทุกอย่างจะต้อง เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้อย่างแน่นอนและฉับไวแล้วมัวไปวางเครื่องมือไว้ยี่สิบชิ้นเต็มไปหมดพอหมอจะเอานะิบๆเลือกดูกว่าจะได้พอดีคนไข้าตายเพราะฉะนั้นสำคัญมากวินยัยหรืออย่างทหารไปรบใช่ไหลองไม่มีวินัยสิอาจจะพาให้กองทัพทั้งกองนั้นถึงกับความพินาศ ตายกันเป็นร้อยเป็นพันเลยเพราะนั้นยิ่งสิ่งที่ทำนี้ต้องการความฉับไวความแม่นยำนี่วินัยยิ่งต้องเข้ามาันนในสังคมทั้งหมดก็เช่นเดียวกันถ้าอะไรอะไรไม่เป็นระเบียบระสามระสายวุ่นวายไปหมดนี่กิจการอะไรอะไทำใม่สำเร็จไม่เป็นไปได้ดีนะก็แค่ในท้องถนนนี่ไม่มีวินยัยนะการจัดระบบระเบียบในการเดินรถใหม่ดี หนึ่งเราต้องมีไฟแดงไฟเขียวก็เพราะว่าต้องการวินัยเมื่อมีวินัยปั๊บเกิดโอกาสเลยใช่ไหมถ้ามาั้นรถมี5 0,000 คันหรือพันคันนี่ไปไม่ได้สักคันหนึ่งติดหมดพอจัดมีวินัยขึ้นมาให้มีไฟเขียวไฟแดงฝ่ายไหนหยุดฝ่ายไหนไปมันก็ไปได้เลยนะนการจัดวิดนัยก็ทําให้เกิดโอกาสในการที่กิจการของชีวิตและสังคมจะดําเนินไปได้ อันนี้ถ้ายิ่งมีวินัยดีในท้องถนนนี่แทนที่รถจะติดนะีหรือติดแทนที่จะติดมากไปไม่ได้เลยมันก็ยังมีทางไปได้นั้นวินัยนี้จะช่วยสังคมเป็นอย่างมากสังคมไหนไม่มีวินยัยสังคมนั้นจะติดขัดอะไรแต่อะไรจะไม่คล่องตัวไม่เป็นไปได้ดีหรือวินัยที่มองออกไปให้เห็นกว้างขึ้นกับความรัศมีรสายในสังคมถ้าคนไม่ประพฤติตามหลักเนะี่ย ในการเป็นอยู่ร่วมกันให้ดีละเมิดต่อชีวิตทรัพย์สินกันไปไหนก็ไม่ปลอดภัยนะคนก็เกิดความหลาดระแหวงล่นะจะไปถนนนั้นนะเอถิ่นนี้ไม่ได้นะนะมีโจรผู้รายเยอะเกิดมีกิจการต้องทำธุระต้องทำไม่กล้าไปเสียะเสียงานเสียการหรือว่าไปได้เฉพาะในเวลากลางวันกลางคืนไปไม่ได้เอาอีกก็ทาให้เกิดความติดขัดในสังคมนี้ถ้าหากว่ามีวินัยดี คนตั้งใจประพฤติตามกติกาสังคมนะก็อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยดําเนินกิจการอะไรจะอะไรไปได้ดีหมดนะจะไปไหนธุระที่ถนนไหนเวลาไหนไปได้หมดกลางค่ำกลางคืนไม่ต้องกลัวอย่างนี้สังคมอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขกิจการดําเนินไปได้ดีนี้ถ้ามันเกิดความติดขัดอย่างที่ว่าทิศ น, นี้ไปไม่ได้นะหรือไปไม่ได้เวลานั้นธุรกิจการงานเสียเนะีย เศรษฐกิจก็ไม่เจริญงอก ง, งามเกิดความเสียหายกับเศรษฐกิจทันทีเลยใช่ไหมเพราะนั้นนี่แหละวินัยเนี่ยคือการจัดสรรโอกาสที่เรามีวินัยขึ้นก็เพื่อจัดสรรโอกาสนีเพราะฉะนั้นวินัยเป็นเบื้องต้นเลยชีวิตของคนสังคมเนี่ยจะเดินเนินไปได้ดีต้องวางฐานนี่ก่อนจัดอันนี้ให้ดีจัดสรรโอกาสสภาพความสัมพันธ์ในสังคมเนี่ยหรือว่าระเบียบชีวิตของตัวเองเนี่ยให้มันดีซะก่อน พอได้อันนี้แล้วโอกาสเกิดขึ้นทีนี้แหละการพัฒนาชีวิตการดำเนินกิจการเป็นไปได้เพราะนั้นท่านจึงวางเรื่องศีลไว้เป็นข้อที่สองใช่ต้องอยู่ตอนตอน้ตนๆแล้วถ้ามองในแง่หนึ่งมันจะเริ่มจากนอกเข้ามาที่ข้างในเลยกัลยาณมิตรนันเกี่ยวข้องกับผู้อื่นนะอา้าวอยู่ข้างนอกตัวเราเนี่เราไปมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์เราได้ประโยชน์จากเขากัลยาณมิตรเนี่ย ได้ประโยชน์จากคนอื่นสามารถเอาประโยชน์จากเพื่อนมนุษย์จากสิ่งแวดล้อมได้คนไหนนี่ไม่รู้จักเลือกหากัลยานามิตรนี่เป็นคนที่สูญเสียโอกาสของตนเองคืออยู่ในสังคมในแทนที่จะได้ประโยชน์จากสังคมจากสิ่งแวดล้อมจากผู้คนอื่นไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมคนที่รู้จักเลือกคบหากัลยานามิตรก็ได้ข่าวสารข้อมูลความรู้ได้ตัวอย่างที่ดีนี่เป็นคนที่รู้จักเอาประโยชน์จากสังคมจากเพื่อนมนุษย์จากสิ่งแวดล้อม อยู่ข้างนอกก่อนและกําลัยันนะั่นเองี่พอมาถึงศีลนี่มาอยู่ที่ตัวแล้วก็คือรู้จักดําเนินชีวิตในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมให้ดีก็จะเป็นการจัดสรรโอกาสอย่างที่ว่านะีชีวิตตัวเองมีวินยัยไหมรู้จักจัดเวลาเป็นไหมเนียนะอย่างนี้เป็นตน้นเพราจัดเวลาเป็นปั๊บโอ้ถ้าวันหนึ่งได้งานเยอะถ้าไม่รู้จักจัดเวลานี่วันหนึ่งบางทีไม่ได้เรื่องในราวอะไรเลยเสียไ ป, ปเปล่าๆนะี พอจัดเวลาเป็นนได้งานเยอะแยะเลยนะีงั้นอย่างนั้นก็เป็นฐานของการพัฒนานอกจากจัดระเบียบชีวิตตนเองก็จัดระบบความเป็นอยู่กับผู้อื่นให้ดีตัวเองก็ไม่ต้องหวาดระแวงภัยเนะี่ถ้าทุกคนประพฤติ ด, ดีงั้นสังคมก็เรียบร้อยก็สบายใจเนทะ่ากับเปิดโอกาสให้ชีวิตของตัวพร้อมที่จะเดินหน้าในการพัฒนาแหละนะเอาล้วนะาวนะจากการยาน้ำมัน ท, ที่อยู่ข้างนอกเอาประโยชน์จากเขาแล้ว เอาประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมมาที่ตัวเองจัดระบบชีวิตของตัวเองกายวาจานี้ให้ดีซะระบบความสัมพันธ์แม้แต่การคบหากับผู้อื่นถ้าเรามีพฤติกรรมกายวาจาที่ดีคนอื่นเขาก็อยากจะมาเกี่ยวข้องอยากจะมาสัมพันธ์อยากจะมาช่วยเหลือเอื้อเฟือ้อถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีศีลน่ยนะคนอื่นเขาไม่กล้าเขาไม่ไว้ใจเขาไม่แน่ใจอย่างน้อยเขาก็หลีกไปก่อนละใช่ไหม เราก็เลยไม่ได้ประโยชน์การนั้นเอาล้วครับศีล น, นี่เข้ามาที่ตัวแล้วนะแต่ยังอยู่ด้านกายวาจายังอยู่เรียกว่าด้านนอกแต่เป็นการเตรียมพื้นฐานการจัดสรรโอกาสชีวิตไว้แล้วเพราะฉะนั้นต้องมีอันนี้เชื่อทางชีวิตและสังคมไปได้ไ ด, ดีวินัยจึงเป็นการจัดสรรโอกาสอันนี้คนที่เข้าใจความมุ่งหมายของวินัยอย่างนี้แล้วก็จะมีความ ยินดีมีความพอใจเต็มใจมากขึ้นในการปฏิบัติตามวินยัยอย่างน้อยมองเห็นว่าออแม้มันไม่ไม่ได้อย่างใจก็ยังมองว่าออนี่เป็นเครื่องฝึกตัวเองน ะ, ะก็พอเรามองว่าเป็นเครื่องฝึกก็มีความเต็มใจที่จะทำทำแล้วตรงตัวเองก็รู้สึกปอดได้ก็มีความสุขแล้วต่อไปวินยัยพอเราประพฤติไปจนชินนะ เราไม่รู้มีความรู้สึกที่จะต้องฝึกตัวเองเราจะมองแต่เพียงว่าอ๋อมันเป็นเครื่องหมายรู้ร่วมกันในการอยู่ร่วมสังคมในการที่จะอยู่ร่วมกันมันก็ต้องมีเครื่องหมายรู้ว่าเราจะทําไงกันเมื่อไรเวลาไหนทํากันอย่างไรและสังคมมันจึงจะอยู่ร่วมกันได้ดีดังนั้นคนที่มีปัญญารู้เข้าใจความมุ่งหมายของวินัยหรือกฎหมายอย่างนี้แล้วสบายกฎหมายนี้ถ้าว่าไปลองตีความกฎ ข้อกำหนดหมายที่ให้หมายรู้กันก็ไม่ได้มีความหมายเป็นเครื่องบังคับอะไรเป็นข้อกำหนดที่หมายรู้กันว่าเอางี้นะเรอาอยู่ร่วมกันในสังคมเอางี้นะนี่คือผู้ที่เป็นอารยาชนพัฒนาแล้วจะมองกฎหมายหมายถึงกฎหมายที่วางไว้ได้ดีนะอย่าไปเอากฎหมายไรยนะถ้ากฎหมายนั้นตั้งมาได้เจตนาไม่ดีไม่บริสุทธิ์ไม่มีปัญญาเราก็ต้องแก้ไข ทีนี้กฎหมายที่ดีเนี่ยมันจะเป็นกฎหมายประเภทที่เป็นข้อกําหนดสำหรับหมายรู้ร่วมกันว่าเราอยู่ร่วมกันจะเอายังไงเพื่อจะให้เกิดโอกาสในการมีชีวิตและทํากิจการงานอย่างที่ว่าไปแล้วเพราะนั้นพรภาหารหก็ต้องมีวินัยก็ต้องมีกติกาเพราะว่าคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปนี่เวลามาอยู่ร่วมกันแล้วถ้าไม่มีกติกาข้อกําหนดแล้วมันจะทําให้กิจการไม่ดําเนินไปได้ดีนียยังอยู่สองคน ก็ต้องตกลงกันว่าเออเราจะมารับประทานอาหารกันวันไหนใช่ไหมถ้าเราจะอยู่ด้วยกันนี้ถ้าไม่มีข้อกําหนดไม่มีกติกาวางไว้ก็ยุ่งสิเดี๋ยวคนนนมารอคนนี้คนนี้ยังไม่มาอา่าวเดี๋ยวไปตามคนนนคนนนไปไหนกับวันหนึ่งม่ได้ทําอะไรนั่นตั้งแต่สองคนขึ้นไปแม้แต่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องมีกติกาคือต้องมีวิ น, นัยก็เพื่อเป็นเครื่องหมายรู้ร่วมกันในการที่ว่าเราอยู่ร่วมกันเราจะทํากิจการกันยังไงเมื่อไรอย่างไรใช่ไหม เพราะนั้นจึงยกตัวอย่างบ่อยๆอย่างพระอรหันต์มาอยู่ร่วมกันปั๊บสมมติว่าสิบองค์ก็ต้องมีกติกาในการอยู่ร่วมกันแล้วนะเอานะเรานะห1โมงสบห้า <c oughs> ออกบินทบาทเอาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าไม่มีกติกาข้อกำหนดเป็นวินัยไว้ยุ่งเลยนะรอกันอยู่นั่นแหละก็พอตกลงกันละหกโมงสิบห้าออกก็ไปกันและ อ่าเวลากลับมาแล้วนะพร้อมแล้วมาฉันประมาณเจ็ดโมงสมมติว่าอย่างงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ทํำน่นทํานี่นะเวลาต่างองค์ต่างไปอยู่ในที่ของตัวแล้วนะอยู่กันมากๆเกิดมีเหตุการณ์อะไรขึ้นใช้ตีละครั้งนะตีละคังถ้าตีสามครั้งหมายความว่าให้มาประชุมกันมีญาติโยมมาในเรืออ่องนี้นะเอ่อมาทําบุญสมมติอย่างงี้ยถ้าหากว่า5ครั้งตีละครังหครั้งหมายความว่ามีพระภิกษุ องหนึ่งอาพาธให้มาช่วยกันหน่อยหรืออะไรเงี้ยนะหรือว่ามีตีอะไรกี่ครั้งหมายถาว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นต้องให้มาประชุมกันรีบด่วนก็แก้ปัญหาตีเท่านั้นครั้งหมายความว่ามาทำวัรรสดมุมวลอะไรเงี้นะฮะเนี่ยกติกาสําหรับเป็นวิเนัยร์เนี่ยสำหรับหมายรู้เท่านั้นเองเพื่อจะให้ชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันนั้นมันได้ผลดีใช่มเพราะนั้นมันจะไม่มีความหมายเป็นการบังคับ หรือเป็นการฝืนใจหรือแม้แต่ต้องฝึกเลยนะแต่ถ้าคนที่ยังไม่คุ้นนี่ก็จะต้องฝึกนี่ถ้าคนไม่เข้าใจความมุ่งหมายหรือจะมองไอ้พวกกติกาวิเนัยกฎหมายนี่เป็นเครื่องบังคับไปเลยใช่ไหมเพราะมันไม่ได้อย่างใจก็นี่ก็เป็นเรื่องของการมองความหมายของวินัยสขั้นหนึ่งคนที่ไม่มีปัญญาเอาแต่ใจตนอยู่ในตันหามองเป็นเครื่องบังคับสองคนที่ มีปัญญาเข้าใจความมุ่งหมายแต่ว่ายังพัฒนาตนไม่ได้เต็มที่จิตใจของตนยังอยากอยาได้ยยอย่างใจอยู่แต่ว่ารู้เข้าใจว่ามันเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ควรจะทําก็จะฝึกตนเองมองเป็นเครื่องฝึกสก็หมายถึงคนที่พัฒนาตนดีแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องตามใจตนเองนะ่ะเอาแต่ปัญญาเข้าว่าเห็นว่าสิ่งนี้ดีชอบดีเหตุผลก็ปฏิบัติก็มองวินัยเป็นเครื่องหมายรู้ ว่าเอาอย่างนี้อย่างนี้นะนี่แหละพระอรหันต์ก็จะอยู่ด้วยความเข้าใจแบบที่สามองวินัยในความหมายที่สแต่อย่างที่บอกแล้วว่ากฎหมายวินัยอะไรต่างๆนี้ต้องมาจากปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงเห็นคุณค่าประโยชน์ความมุ่งหมายในการที่ว่าเราจะวางวินัยทาไมซองก็มีเจตนาบริสุทธิ์มุ่งเพื่อประโยชน์ร่วมกัน นะเพื่อความดีงามร่วมกันแล้วก็วางไว้ถ้าเป็นกฎหมายวินัยที่วางจากจิตใจไม่บริสุทธิ์เจตนาร้ายเพื่อเอาประโยชน์กับตนเองหรือกั่นแปลงผู้อื่นอย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็หรือแม้มีเจตนาดีแต่ปัญญาไม่พอไม่รู้เข้าใจความจริงวางผิดวางถูกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องระวังเหมือนกันต้องคอยตรวจสอบกฎหมายเหล่านี้หรือกติกาเหล่านี้เพื่อจะให้ ได้ผลสมบูรณ์คือเกิดจากปัญญารู้ความจริงแท้ทั่วตลอดและเกิดจากเจตนาที่บริสุทธิ์นะก็ไปอันว่านี้เป็นเรื่องของศีลเมื่อเราได้ตั้งอยู่ในวินัยด้วยปัญญาเข้าใจายอย่างนี้แล้วอย่างน้อยก็มองเป็นเครื่องฝึกเราก็ฝึกตัวเองให้ปฏิบัติตามเราก็เป็นผู้มีศีลผู้มีศีลถ้าคน <c oughs> ในสังคมนี้มีศีลโดโทั่ว ก, กันก็วินัยของสังคมก็เป็นไปไดีดีกฎหมายกติกาเป็นไปดีสังคมเรียบร้อย ชีวิตของแต่ละคนก็มีโอกาสที่จะพัฒนากิจการของสังคมก็จะมีโอกาสที่ดําเนินไปได้ดีๆนี่เรียกว่าฐานดีแล้วนะแล้วทีนี้ก็ก้าวไปสู่ข้างในแล้วต่อไปคุณสมบัติข้อที่สมนี่จะเข้าในตัวแล้วนะพระ เ, เจ้าจัดไว้นี่เป็นลําดับลําดับหมดแลยนะเอาแล้วครับวันนี้สามทุ่มเกือบครึ่งนะ เ, เพิ่งได้แค่สองข้อนะพูดยินเย้อเรื่อยนะเอาล้วครับ ก็ไว้ค่อยต่อข้อสามสี่ห้าหกแล้วก็ข้อเจ็ดก็พูดไปแล้วก็ไปขโมวท้ายอีกทีมีอะไรสงสัยไหมครับสำหรับวันนี้ mm hmm. เคยได้ยินมาก่อนไหมเรื่องบุพนิมิตของมรค mm hmm. นะฮะอย่างที่จริงก็เขียนออกมาหลายเล่มแหละพยายามเน้นเรื่องนี้มาหลายปีนะฮะ ในพวกหนังสือที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือแม้แต่ทั่วๆไปอย่างแสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงามรุ่งอรุณของการศึกษาแล้วก็ไปอยู่ในเล่มเกี่ยวกับการศึกษาโดยตรงเพราะว่าถ้าไม่เอาใจใส่เรื่องบุพนิมิตของมรดยรุ่งอรุณของการศึกษาเนี่ยจะทําให้คนเข้าถึงธรรมยากนะยู่ยู่ก็ไปเริ่มมรดยเลย ก็เราก็บอกแล้วว่ายอมรับมามักดีจำเป็นแล้วทาไงจะให้คนมาเข้ามักเราไม่พูดสักทีย่นยูู่จะให้เขามาเข้ามักได้อย่างไงนะนั้นพระพุทธเจ้าท่านพระองค์ไม่ได้ทรงมองข้ามสิ่งเหล่านี้ตรัสไว้แต่ว่าชาวพุทธเองเนี่ยมองข้ามไปเองไม่เอาใจใส่นะหรืออย่างน้อยก็คือไม่ได้ไม่ได้ศึกษาธรรมะเป็นระบบ แล้วไม่มีการรวมธรรมะที่ทาม า, วารวมเขา้าเป็นหนึ่งเป็นระบบไม่มีการมองเป็นระบบระบบความสัมพันธ์ของธรรมะซึ่งตั้งอยู่บนฐานของความเป็นจริงในธรรมชาติเพราะนั้นธรรมะเป็นระบบสิเพราะว่าตัวธรรมชาติความเป็นจริงในธรบบ ร, ม ช, ม, รมชาตินี่มันเป็นระบบความสัมพันธ์ของมันใช่ไหมธรรมะก็เอาความจริงในระบบของธรรมชาติมา เอามาใช้ประโยชน์เอามาสอนเอามาพูดกันแล้วก็ให้คนปฏิบัติเพื่อจะได้ประโยชน์จากระบบความเป็นจริงในธรรมชาติต้องให้มองเห็นภาพความจริงที่สมผันกันเองี่เป็นที่ศึกษาส่วนใหญ่ก็จะหยิบมาครูบาอาจารย์บางท่านก็จะหยิบมาเรื่องเป็นพัวข้อเห็นบนหมวดไปนะักโดยไม่ได้รู้ว่าหมวดไหนมันมายังไงมันตั้งอยู่ที่ไหนในระบบนี้ใช่ไหม ก็อยู่ในเล่มสิบเก้าเนี่ยจัดแล้วจัดอีกในเล่มสิบเก้าเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งเลยนะฮะแต่แปลกที่ว่าอยู่ที่เดียวนั่นแหละไม่มีที่อื่นอีกเลยแต่ว่าจัดบ่อยเหลือเกินจัดไปแล้วแล้วก็จัดอีกจัดแล้วจัดอีกจนกระทั่งท่านต้องเปหมายความว่าละไว้เลยหมายความว่าไม่เอาข้อความซ้ำมาใส่เนี่ยพอตัดแล้วจัดอีกจัดแล้วตัดอีกนี่โดยเฉพาะ อันต่สัมปทาเนี่ยมันไม่มีที่อื่นเลยน่ามามีแต่ที่นี้ส่วนข้ออื่นก็มองข้ามไม่พูดถึงกันเลยอาจจะเป็นได้ว่าพุทธศาสนาตั้งแต่เข้ามาเมืองไทยไม่ไม่ไดเอามาพูดเลย <laughs> ไม่เคยได้ยินแปลกเหมือนกัน ก็ตกลงว่าต้องเน้นเรื่องนี้ให้มาเพราะถ้าได้เจ็ดตัวนี้นะฮะ mm hmm. ก็พระพุทธเจ้าจัดไว้เอง mm hmm. เมื่อแสงเงินแสงทองปรากฏแล้วไม่ต้องไปเรียกร้องว่าให้พระทิดขึ้นมันขึ้นเองงั้นถ้าหากว่าธรรมะเจ็ดข้อนี้ข้อใดข้อหนึง่งเกิดขึ้นในตัวบุคคลแล้วมรรคก็มาโดยไม่ต้องไปเรียกร้องนั่นเราก็สบายใจสิใช่ไหมไม่ต้องไปเรียกร้องมรรคละ่ะให้รู้ว่ามรรคได้มีอะไรบ้าง ให้รู้เข้าใจไว้จะได้ไปปฏิบัติถูกแต่ข้อที่ต้องทำก็คือเจ้าเจ็ดตัวนี้ทำเจ้าเจ็ดตัวนี้แล้วมีขึ้นมาแล้วมักจะตามมาเองใช่ไหม